กระแสกรรมเหล่านี้มันก็ให้วิบากต่อไปอย่างยาวไกลเลยเดีย๋ยวนี้ถึงบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องชดใช้กรรมเป็นความคิดผิดผิดมากๆคําว่าปบเพกระตาเหตุวาธาทิฐิเนี่ยไปเชื่อกรรมในดีดอย่างเดียวปฏิเสธปัจจุบันกรรมนี่พลาดมากเลยเนี่ยเป็นความคิดที่พลาดมากเลยคิดว่าเออวันนี้ปีนี้เออช า, เ, ออชาเกิดมาชาตินี้เราโชคไม่ดียอมทนชดใช้กรรมไป อ, อคิดอย่างเนี้ย เขาเรียกพวกยอมจำนวนต่อ ก, กรรมในอดีตเนี่ยพุทธเจ้าตำหนีเลยเขาเรียกว่าเอกปักขะฮีนว า, าทาทิฐิเขาเรียกสามโดยส่วนเดียวคำว่าสามโดยส่วนเดียวเนี่ยปฏิเสธปัจจุบันกรรมแต่ยอมรับอดีตกรรม น, นี่นั่งคอยรอคอยผลใช่ไหมพวกเนี้ยนั่งคอยรอคอยผลเนี่เสียหายในะกลุ่มนี้ ส่วนอิสระเอนิมานวาธ ท, ทิติก็ยิ่งหนักใหญ่เลยกลุ่มนี้ยอันนี้ว่าเชื่อเหตุอดีตก็ผิดอีกแล้วก็ไม่สร้างเหตุปัจจุบันก็อีกเลยสองส่วนเลยตอเนี้ย น, นี่สามสองส่วนเลยใช่ไหมอีกส่วนสุดท้ายน่าเกลียดที่สุดคืออหิวตุเก่าวาธาทิถี น, นี่ปฏิเสธหมดเลยไม่มีเหตุว่างั้นนะมันเกิดขึ้นมาลอยๆอย่งั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นจะเกิดใหม่ก็ไม่มีเหตุปจัจจัยใดๆเรื่องต่างๆเนี้ยนี่หนักใหญ่ แต่พระบระมาศ า, าสดาก็ตําหนิวาธาสามวาธานี้และก็ทรงสอนว่ากรรมมีผลนะ่ยนะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่ว่ากระทํากรรมกันในผลมันก็เกิดขึ้นมาตามลำดับตรงนี้เนี่ยที่พระบระมาศ า, าสดาตัดบอกว่าพระองค์น่ยทรงประเสริฐในโลกสามแล้วทรงกระทําทุกในวัตตะฉนั้นวัฏตะต่างๆเหล่านี้ให้สิ้นไปมันสิ้นไปด้วยการสร้างเหตุที่ถูกต้องทรงสแสดงธรรมแก่ชนเป็นจํานวนมากผู้ได้รับบุญไว้ในปางก่อนแม้เราอื่น ทรงให้ชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในทางแห่งพระนิพพานเนี่ยไหมอย่างเราเนี่ยถือว่ามีเหตุปัจจัยที่เป็นกุศลมานะได้มีโอกาสฟังพระธรรมใช่ไหมอันนี้เป็นทางที่จะดำเนินไปสู่พระนิพพานคือทางแห่งความพ้นทุกข์นี่ยทรงเปลื้องชนเหล่านั้นออกจากทุกข์ทั้งปวงแล้วความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมพระบรมศ า, าสดาก็เปลื้องออกได้ทรงกระทําให้บุคคลเหล่านั้นควรแก่อนุ ป, ปาทานไปนิพพานก็แปลว่าบุคคลเหล่าหนึ่งที่ไม่ได้พระ น, นิพพานพระองค์ก็ การทำเหตุปัจจัยท่านเหล่านั้นสร้างอัธยาศัยเพื่อจะได้นิพพานในอนาคตได้อนุปาทาปรินิพพานคือการดับโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าพูดไปพูดมาถามเราท่านทั้งหลายว่าการการที่เราเนี่ยที่มาศึกษาฟังทำคําสอนของพระบรมศาสดาจิตลึกๆจริงๆเนี่ยเราอยากพ้นทุกข์จริงไหมอยากพ้นจริงใช่ไหมเราคิดไหมว่าการพ้นทุกข์คือการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมแต่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ อยากพ้นทุก์แบบประเภทต้องเวียนไหวตายเกิดอันนี้คือคิดว่าคิดว่าการเวียนไหวตายเกิดแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ึง่งแท้ที่ไหนได้ไอตัวเวียนไหวตายเกิดเนี่ยมันตัวทุกข์ฉะนั้นคนที่สามารถหยุดวงจรการเวียนไหวตายเกิดได้นั้นเขาเรียกคนหมดทุกข์คนดับทุกข์เลยที่ที่เรายัางต้องตอนเนี้เมื่อเรารู้คําสอนพอสมควรเรารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์เนึ่ง ความโศกความลำลารลําพันธุ์เป็นต้นเนี่ยเป็นทุกเป็นชาติทุกชรลาทุกเป็นต้นเรารู้ว่าเป็นความเจ็บปวดแต่ว่าเมื่อข้อมูลเมื่อข้อปฏิบัติของเรามันยังไม่สมดุลอันพ้นไม่ได้ฉะนั้นกรณีแห่งการที่ต้องระดมระดมความเพียรค่อนข้างมากใช่ไหมไอ้คาว่าระดมความเพียรในที่นั้นเป็นชื่อของการระดมศีรษสามระดมศีลสมาธิปัญญาเ น, นั่นเองประการต่อมาตรงนี้ว่าทรงเปื้องคําที่กล่าวในคาถาท่านได้ประมวลพุทธคุณทั้งหลายหาที่สุดไม่ได้มากล่าวท่านพูดถึงในเรื่องอะไร ท่านพูดถึงในเรื่องของเหตุต่างๆเหล่านี้นะท่านพูดว่ากรณีแห่งเราท่านทั้งหลายที่นอบน้อมพระบรมศาสดาด้วยทวารทั้ง3ามใช่ไหมด้วยกายทวารวจีทวารมโนทวารต่างๆเหล่านี้เป้าหมายก็คือว่าผู้พระบรมศาสดาเนี่ยเป็นสัพพะโล ก, กะพันธุงผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์อันเดียวของโลกทั้งปวงทรงเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ไม่มีสหายของสัตว์โลกทั้งเส้นเผ่าพันธุ์ได้แก่อัตภาพหนึ่งเดียวเป็นเช่นหนึ่งเดียวของพระผู้มีพภาคเจ้าพระองค์ใด เป็นผู้ได้รับความสุขในคราวที่มีสุขเป็นผู้ได้รับความทุกข์ในคราวที่มีทุกข์พระบรมศาสดาพระองค์นี้ชื่อว่าทรงเป็นเผ่าพันธุ์เพราะมีความผูกพันดุจบิดาผูกพันกับบุตรก็าบอกพระบรมศาสดาเนี่ยผูกเราไว้หมดนะเวลาพระองค์บำเพ็ญทานบารมีนั้นน่ะกระแสใจของพระบรมศาสดาก็เพื่อจะอนุเคราะห์เห็นเราว่าเป็นบุตรไงนั่นจึงมีความผูกพันท่านถึงใช้ว่าการสร้างบารมีเนี่ย 1นึ่เขาเรียกผูกบารมีไว้ในตนแล้วก็ผูกสัตว์ไว้ในตนผูกบารมีก็คือบารมีทุกข้อไม่ให้หลุดหายไปจากใจแล้วจิตใจอัธยาศัยสั่งสมบารมีตลอดยิ่งได้รับพุทธวิยากรณ์นะความเ ข, เข้มข้นของความเพียรเข้มข้นของปัญญาเข้มข้นของฉันท่าความมุ่งมั่นต่างๆยิ่งความปรารถนายิ่งแรงก็นี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ผูกพวกเราไว้ในในตนเนี่ย บิดาเนี่ยย่อมเป็นเผ่าพันธุ์ของบุตรหลานเป็นต้นของตนไม่เป็นเผ่าพันธุ์ของคนเหล่าอื่นชั้นใดส่วนพระบรมศ า, ศาสดาทรงเป็นเผ่าพันธุ์ของสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นผู้ใดคือจะเป็นพระเทวทัตเป็นนางจินเจมานาวิกาเป็นนางมาคันธยาพระมณีหรือเป็นราหุลกุมารก็ตามนี่ยพระบรมศาสดาก็เห็นเขาเหล่านั้นทั้งหมดในการที่เขามีความสุขก็ทรงบันเทิงด้วยอํานาจของมุทิตา ทรงเห็นในการที่พวกเขาเหลนะ่านั้นมีคงความทุกข์เพราะเขากระทาบาปรกรรมมัลาโมกใช่ไหมเห็นพระเทวทัตต้องไปตกอวยจยีพระเทวพระบรมศาสดาไม่ใช่สบายใจนะทรงวางเฉยกรุณาเน้นะนะกรุณาเน้นะทนระงกรุณาโอ้โหเห็นนางชินจะมานาวิกาไปลงอเวจีหมาทะเลาเห็นนางมากรณียาไปลงอเวจีหมาโอ้โหวางชงกรุณาสงสารไหมสงสาร แม้สงสารวลาหุ่นซึ่งเคยเป็นอดีตของลูกเนี่ยก็สงสารแลก็มีความบันเทิมทรงมีพระไทยหวั่นไหวด้วยกรุณาทรงมีความลําบากฉะนั้นจงชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกคําว่านาหูไม่มีคือไม่ได้มีแล้วเนี่ยเยนาปิเนี่ยพระองค์ใดพระบรูมีพระเจ้าพระองค์ใดคําว่าปีศาจมัใช้ในการยกย่องนะตัวระยะก็คือผู้เปรียบเทียบพุ่มเหมือนกับกุศลมหิมาโตโดยความยิ่งใหญ่ด้วยกุศล ถามว่าพระบระมาศาสดาเนี่ยกุศลที่ทําเนี่ยยิ่งใหญ่มากทานก็ยิ่งใหญ่ศีลก็ยิ่งใหญ่เนคขมะปัญญาวิริยะขันติเนี่ยยิ่งใหญ่มากเป็นมหากุศลเอกอวะอย่างเราเนี่ยถ้าทํากุศลกันได้มากก็เป็นหลายๆคนเป็นมหากุศลญาณวิปยุทธใช่ไหมปัญญาก็ไม่เกิดไม่เป็นอาสังขารเล็กด้วยนะบางคนไม่เป็นแม่กระทงโสมนัสด้วยใช่ไหมเป็นอุเบกขาแล้วยังต้องอาศัยคนอื่นชวนมาด้วยนะว่าฟงังธรรม มาก็มางั้นและใจงอกแงงงอกแงงมาเคยเป็นเคยเห็นไหมมาแบบโอ้โหปุ๊บกระปวกกระเปี้ยมาเลยไม่เหมือนบางคนใช่ไหมมุ่งมั่นจําอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยโอ้เอกอ้เลยพระบรมศาสดาจักไม่ทํากุศลประเภทประเภทใจแบบเนี้ประเภทที่อสังขาริกญานสัมยุ์ประกอบด้วยปัญญาแล้วมีสมานั่นเนี่ยจะทําบุญประเภทเนี้ยให้ทานบารมีพระองค์ก็จะให้ด้วยด้วยประเภทมหากุศลดวงแรก อย่างเราทานให้ดวงไหนดีนู่นดวงสุดท้ายอุเบกขา อ, อุเบกขาใช่ไหมรักษาศีลก็นู่นลอุเบกขาไม่ได้ปีตีสักทีเลยสังเกตุไหมรักษาศีลให้ทานเนี่ยอ้าวช่วยกันถวายทานช่วยกันถวายถวายาาเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหยก็นั่งเฉยๆอยู่งั้นเน่ะปัญญาก็คิดไม่ออก ไม่ออกว่าเอจะเป็นเจดนาทานยังไงจะเป็นอโลพาทานความไม่โลบอย่างไรใช่ไหมทานเหล่านี้ถวายหรืปลารบพระพุทธคุณยังไงปลาลบธรรมคุณยังไงปาลารบสังกคุณยังไงปลาลบสิกขาสามยังไงนึกไม่ออกเลยนี่นั่งตันอยู่ น, นี่แหละเงี้ยไม่เป็นวิบยุทธ์ได้งไงใช่ไหมปัญญาไม่เกิดนี่แล้วเราก็คิดว่าโอ้ยได้บุญได้บุญเอาบุญมาฝากถ้ายมรู้จริงเนี่ยว่ามีคนเอามาหากุศัญญาวิบยุทธ์อ่อนแอด้วย แล้วมีกิเลสแวดแหวนล้อมเต็มไปหมดด้วยเอามาฝากเนะี่ยยอมจะเอาไหม <c oughs> ถ้าเอาก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นนะเอาไม่เอาก็เอาของไม่ดีมาให้แต่เราก็ยังเผื่อแผ่กันเนะ่นี่หนไหมการเผื่อแผแบบ่แบบไม่มีปัญญาก็เผื่อแผ่กันให้อย่างแบบไม่มีปัญญานี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นป้าหาบุรุษจักไม่ทําบุญแบบนี้เวลาจะทําบุญเนี่ยเวลาฟังทำเนี่ยใจก็จดจอ่พอพราะต้องมายอาอันี้อันนี้ดวงไหนนียใช่ไหมอันนี้เป็นสงมนัสหรือเปล่า เป็นอาสังคาริหรือเปล่าเป็นญานนสัมบยุท์หรือเปล่าไม่ใช่โอ้ดวงไหนก็ช่างหวัวเดออเรียบร้อยนะเป็นกรรมไปแล้วเนะ้ที่ทําไปแล้วเนี่ยกรรมแล้วมันให้ผลต่อขันนะกรรมนี่ให้ผลต่อขันนะเราเป็นผู้ทําตัวเองเนะ้ถามว่าในขณะที่เราโกรธก็เหมือนเราเอาห อ, อกแทงตัวเองในขณะที่เราโรลภเราหลงเราก็เอาห อ, อกนั่งทิ่มนั่งแทงตัวเองเนี่ยเหมือนตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมให้กัมมาคันธยา มาคันธิยาเนี่ยแกเข้าใจพระธรรมผิดเยอะมากแล้วแกไปส่งไปไปสอนเรื่องว่าความทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเจริญอย่ไหมคือเนี่ยโทษนี่นะบางคนเนี่ยที่บอกว่าฟังธรรมโดยไม่เคารพเนี่ยเข้าใจไหคือฟังยังไงหนึ่งไม่ฟังด้วยศรัทธาไม่ฟังด้วยศรัทธาก็คือไม่ฟังด้วยกุศลตราบใดกุศลและจิตไม่เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าฟังธรรมโดยไม่เคารพ นั่นแหละสังเกตตรงนั้นคําว่าเคารพหรือไม่เคารพเนี่ยเขาอัดฐาของกุศลเป็นประมาณเราจะนั่งนิ่งนิ่งดูเหมือนตั้งใจแต่บาปเกิดตลอดบาปเกิดตลอดชื่อว่าไม่เคารพเพราะเพราะพระธรรมเป็นของสูงไหมกว่าที่พระบรมศาสดาจะตรัสรู้โนรตราชส ม, มาสัมปทาญาณบําเพ็ญบรมบารมีมาอย่างยาวไกลเา้าจึงบอกเคารพพระธรรมเคารพพระธรรมน่นโอ้ฝังด้วยความเคารพในะกรณีที่ว่ามาคันธิยะเนี่ยท่านตาบอดมานานเง ท่านไม่รู้ท่านนึกว่าโอ้เนี่ยการที่ทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเจริญขึ้นคือว่าอะไรได้เห็นแล้วก็โอ้โหหาสิ่งที่ดีๆมันยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เหมือนคนในโลกใบเนี้ยวิ่งพลานอยากจะดูของดีๆฟังเสียงเพราะๆดมกลิ่นหอมๆรสอร่อยอร่อยสัมผัสนิ่มๆก็วิ่งเที่ยวหากันอยู่เนี่ยต่อมาพระโรมศาสดาก็บอกความจริงว่าผิดทางแล้วพอบอกเบ็ดเสร็จท่านก็สารภาพเลยโอ้เนี่ย บอกว่าข้าแต่พระองค์ควรจะเิ้ข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนบอดมานานแล้วโอ้แต่ก่อนมองไม่ออกอะ่ะพี่ใช่ไหมมองไม่ออกเลยว่าสีดำสีขาวสีเขียวเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมองไม่ออกตาบอดไงข้าพระเจ้าเป็นคนหนวกมานานแล้วโอ้แต่ก่อนเนี่ยฟังว่าทำอะ่ะนึกว่าเข้าใจฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่มีพอมาเจอเพระบระมาศ า, าสดาก็เปิดถ้าไม่ตาไม่บอดถ้าไม่หูไม่หนก ก็ทําให้ไม่เป็นใบใช่ไหมนี่ก็ก็ได้ตัดสรู้ไปแล้วมาคันธียาฉะนั้นอนุภาพแห่งมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่เจริญที่สุดเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดพระบรมศาสดาผู้ภูมิภาคเจ้าพระองค์นี้นะพระองค์นั้ น, นเป็นผู้ปราศจากมนทินคือราคะมนทินคือโทสะมนทินคือโมหะแล้วถามว่าทําไมพระบรมศาสดาจึงพ้นจากมนทินคือราคะโทสะโมหะ เพราะพระบรมศาสดานั้นน่ยมาจากคาว่าโพธิสัมภารภูตังเหีติตุงคือเป็นโพธิสัมพันธ์อันเป็นเหตุก็คือว่าเหตุเนะี่ยพระองค์สร้างทานบารมีมาไงทานศีลเนคขมารปัญญาวิริยคันติสจัติฐานเมตตาและเวหาไง น, นี่ไงเป็นเหตุทําให้ตนพระองค์นั้นพ้นจากมลทินอันเป็นอุปการะแก่สัมมาสัมโพธิญาณสมควรแก่เหตุเถิดข้พเจ้าว่า ผลถึงภาวะแห่งความเป็นพระทาถาคตเจนะ้าเนี่ยผลกล่าวคือต่อมาเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้ทั้งรู ป, ปกายและกายคือรูปซึ่งเป็นกล่าวกันโดยความหมายก็คือว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อเห็นคุณของพระบรมศ า, าสดาพระองค์นั้นก็ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าในการกำหนดนี่ท่านบอกว่า ตอนที่พระบรมศาสดาตั้งปรารถนาเป็นพุทธเจ้าในแทบบาทมูลของพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะยกนางมัดซีให้แก่พราหมณ์เนี่ยเมื่อแบ่งบุญที่สัตว์ทั้งหลายที่สุดในอนันตโรคธาตุทาไว้โดยส่วนส่วนและแบ่งบุญที่มหาบุตรทาไว้เป็นส่วนส่วนแล้วเทียบการบุญของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดเหล่านั้นยังไม่ถึง 100, ร้อยเซี่ยวพันเซี้ยวแห่งบุญของพระมหาบุตรนี่เข้าใจกันนี้ไหม คอเนี้ยในอนันตโลกธาตุสัตว์ทั้งหลายมากกว่าแสนกว่าจักรวาลในสามอพบทุกจักรวาลทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นต่างก็มีบุญกันไม่ใช่น้อยถ้าจะเอาบุญเหล่านั้นมารวมกันมาเทียบกับบุญของหมาบรุดผู้เดียวเทียบไม่ได้แค่ทานอย่างเดียวก็สู้ไม่ได้ศีลอา่างเดียวก็สู้ไม่ได้ ถามทำไมถึงขนาดนั้นคนที่จะปราถนาเนี่ยเป็นพทธเจ้าเนี่ยจิตใจต้องเหนือคนธรรมดาแล้วไม่ใช่เหนือเพียงร้อยส่วนพันส่วนต้องเหนือเป็นสแสนแสนเป็นล้านล้านคือถ้าเรามองอย่างนี้เราอาจจะไม่ชัดการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสละบาลังทั้งหมดพระเจ้าจักรพรรดินี่คือปกครองชมพูเทวีคือโลกนี้ทั้งใบนะ สามารถสละถวายเป็นพุทธบูชาออกบวชได้ทิ้งได้อุตรากุรุทวีปุปภาวิเทหะอัปรากโอยานทวีปทวีปน้อยใหญ่สอง0ันเป็นบริวารนั้นไปเกิดที่ปกครองทวีปอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วสละสละไม่ต้องพูดเรื่องทานภายนอกแล้วใครสัตว์ตั้งหลายนั้นเราไม่ต้องอะไรเราเมานั่งคิดใช่ไหมแค่มีบ้านทักหลังเราไม่กล้าสละถวายพุทธบูชาเลยใช่ไหมใช่ไม่กล้าหรอกอันนี้เราคิดดูเว้ นั่งอยู่บนบันลังปกครองโลกทั้งใบทิ้งอย่างก็ก้อนเขล้ก้อนเสเลดติดปลายลิ้นเลยสละเลยถวายเป็นพุทธบูชาได้เราคิดแค่นี้แล้วนับไม่ได้แค่ทานแบบนี้เลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องชีวิตนั่นแหละคือพระมหาบุรุษพระมหาบุตษทรงทําสิ่งที่ใครๆเน่ะคิดหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ไม่รู้จะเปรียบยังไงสร้างสมคนความดีไว้ทรงเป็นเผ่าพัานุ์ผู้ไม่มีสหายในโลกทุกวงถามว่าใครจะเป็นใครจะเป็นสหายของพระพุทธเจ้าได้ ก็หมายความบอกว่าเปรียบอะใครจะเปรียบได้เจรงอย่างนั้นพระมหาบุตรนั้นน่ะสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตโสมแสดงธรรมแก่พระเจ้าโพลิสัสผู้เป็นพระราชาร้อยหนึ่งพระองค์ชั่วชมพูทวีปนะคิดจะตามการเนี่ยเส้นสวงเทพเจ้าเจาะฝ่าพระบาทของพระราชาเหล่านั้นร้อยร้อยหนึ่งพระองค์เนี่ยเอาทวันร้อย่ยตอนนั้นน่ะคือพระโพลิสัสนี่นะ่ยสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตโสมใช่ไหมเราย่อๆดีกว่านี้นาะ ถูกจรปริศาตเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นพระเจ้าพระมรรทถูกชาวเมืองหนายระเทศเพราะชอบกินเนื้อมนุษย์ษยก็ไล่ออกไปแปไสไยอยู่ที่คนต้นสาดักจับคนเดินทางฆ่าเอาเนื้อมาปรุงกินเป็นอาหารกินเนื้อมนุษย์แล้วติดใจเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัดทั้งหลายกินกันเองอันนี้กินจะชั ด, ชดเนเลแล้วก็เลยขนานนามว่าปริศาตก็แปลว่าคนกินบอกว่ามีคนเป็นอาหารกินเนื้อเป็นาเนื้อมนุษย์เป็นอาหารว่างั้นเถอะจับ ต่อมาก็จับพระโพธิสัตว์ไปเพื่อจะประหารบูชายันที่สุดจริงๆพระองค์ก็ทรงสอนให้สหายรู้จักรับผิดชอบชั่วดีจนสามารถกลับตัวได้แล้วยังช่วยปลดปล่อยพระราชาย100ก็คือ 100, 101 1ประเทศ้ออีกประเทศน่ให้สังเกตดูนะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะแก้ปัญหาของโลกได้ แก้ปัญหาของโลกเลยนั่นแหละผู้จับพระราชาร้อยพระองค์อชมปูตะเว็บคิดจะทําการเส้นสวงเทพเจ้าแล้วเจาะฝ่าพระหัตถ์ของพระราชาเหล่านั้นเอาเท้าวันร้อยไว้กับกิ่งต้นไทรสมไปนั่งถากกล่าวอยู่โดยนายต่างๆทรมานฝึกอบรมพระเจ้าบริษัทนี้แล้วเราช่วยเหลือพระราชา1001พระองค์นั้นให้พ้นจากพันธนาการแล้วก็กลับไปดํารงอยู่ในราชสมบัติแต่และพระองค์พระมหาดุสโยวเจ้าชาติเป็นสุ ป, ปการละกับัณฑิตก็เหมือนกัน ตอนนั้นก็คือขึ้นทะเลหมุนอย่างแรงมาตรงหน้าเรือที่พวกพ่อค้า700รอค น, นโดยสารมาแล้วก็ตั้งสติาที่ฐานพาเรือของท่านเหล่านั้นให้เข้าถึงความสวัสดีตรนต้นเนี่ยฉะนั้นพระมาหาบุรุษเนี่ยเกิดเป็นมโหสถบัณฑิตโอ้ตอนนี้ก็ยิ่งใหญ่เลยเห็นไหมดูปัญญาดิตอนเป็นมโหสถบัณฑิตเนี่ยตอนนั้นเป็นอมรรด้วยนะคือพระเจ้าพรหมทัตเน้นํากองทัพ18อัปโขพนะคําว่าอโขพนะเนี่ย อกอโคพนะหนึ่งก็มีอยู่สี่คือกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถและกองทัพคนเดินเดินเท้านี่นะอันนี้ด้วยสิบแปดอโขพนะ เ, เนี่ยพระราชาหนึ่งร้อยหนึ่งพระองค์ทั่วชมพูทวีปมาล้อมกรุง ม, รมิธุลาเนี่ยมิธิลาเนี่ยประมาณเจ็ดยศเขาล้อมไว้หมดเลยเนี่ยนะไม่ทำร้ายใครให้เสียโลหิตนะคือด้วยปัญญาของพระมโหสถเนะี่ย ก็สามารถที่จะความฉลาดในการแก้ปัญหาที่ตนได้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องเมื่อเจริญวัยก็รับราชาการในกรุงมิทูลาเนี่ยเอ่อกรุงมิทิลาเนี่ยแคว้นเววิเทหะต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในการต่อมาเมื่อพระเจ้าวิเทหะสวรสนคตใช่ไหมก็รับราชาการประจําในราชสำนักของพระเจ้าจุรณีในกรุงจาระแคว้นปิละแล้วก็ท่านใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาในราชาสํานัก ทั้งสองแห่งแล้วแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเนื่องจากบัณฑิตเก่าในราชสำนักแล้วก็คอยหาเรื่องใส่ร้ายท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วก็ท่านมีภรรยานยีชื่อว่า อ, อมาราเนี่ยมีปัญญาเฉลียวฉลาดคอยช่วยแก้ไขอีกด้วยและในส่วนจริงท่านสิ้นนายกไปแล้วก็ที่สิน้นนายกก็ไปเกิดในแถวโลกนี่นะตอนนี้ในรายละเอียดก็คือว่านั่นแหละท่านช่วยประเทศเนี่ยร้อยกว่าประเทศแล้วก็ให้ทานชีวิต แกพระราชาทั้งหลายทั้งกองทัพและเข้าอยู่ในอุโมงค์ตอนนั้นโดนจับยังไงพระโหสดบัณฑิตก็ปิดประตูอุโมงคแล้วก็ใช้ดาบขู่พระเจ้าพระมทัศน์ซึ่งอยู่ในพระองค์เดียวแล้วพระเจ้าพระมทัศน์ก็ตรัสว่าดูก่อนบัณฑิตราชสมบัติทั่วชมพูทวีเปเป็นของท่านก็คือจะยกให้ทั้งหมดเลยปกครองโลกเลยว่างันในตำร่องอย่างนั้นแม้จะสามารถฆ่าพระราชาทั้งปวงและยึดราชสมบัติในชมพูทวีปไว้ได้แต่ก็ทิ้งทิ้งสมบัติเหล่านั้นเลย สละถวายมันเป็นพุทธบิชาเร็วเอ้าสละเหมือนทมทิ้งเหมือนก้อนเสเลจในปลายลิ้นเนี่ยแล้วก็ถวายดาบเด็กพระลาชาแล้วก็เปิดอุมโมงก็ทำความสวัสดีให้กับพระลาชาทั้งหลายนี่ไงคนมีปรรัญญาไะมแก้ไขได้จากนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยการที่เป็นมนุษย์ชาติแล้วเนี่ยนะเป็นมนุษย์แล้วได้กระทำสิ่งใดนะสิ่งนั้นไม่น่าอัศจรรย์ แต่ตอนที่พระองค์ในเกิดเป็นสัตติราัชานน า, า์ตอนนั้ น, นเน่เป็นอะไรเป็นกําเนิดของปลาตอนนั้นฝนก็ไม่ตกน้ำในที่นั้นก็แห้งเห็นปลาทั้งหลายถูกกาแหลงจัก จ, จับกินก็คิดว่าเมื่อเราอยู่เนี่ยพวกพ้องเรา <submarine> อย่าได้พินยาศย่าได้ชิพหายไปเลยใช่ JUSTIN. กช็กระทำสัจจคริามองดวงกาศกล่าวกับพระปัจ <pronounced>. ชุนนนเทพ พระบดบอกว่าข้าแต่ปัจจุดเนินนนเทพท่านจงร้องคำลาให้ฝนตกมาเนยว่าทำลายขุมทรัพย์ของฝูงกาทำลายฝูงทรัพย์ขอ ง, งทําให้ฝูงกาได้รับความเศร้าโศกและจงช่วยปลดเปลื้องข้าพเจ้าและญาติให้พ้นจากความโศกนิถิดตรงนี้ก็ในส่วนจริงฝนตกเพราะว่าท่านบมเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยฝนก็ตกแล้วก็ทำความสวัสดีให้แก่สัตว์ทั้งปวงพระพุ ท, ทธสัตว์เนี่ย สวยพระชาติเป็นวานอนก็นเหมือนกันแม้จะพิจารณาตรงนี้ที่บอกเกิดเป็นวานอนอยู่ที่บอกว่าตอนนั้นมีฝูงวานอนอยู่แปดห 0,000 ื่นตัวใช่ไหมลองพิจารณาดูเนะที่มีต่อมาก็คือว่ามันมีผลมะม่วงอยู่ผลหนึ่งโอ้เอออยู่อ ย, อยู่อยู่ต้นหนึ่งออกลูกหอมหวานมากวานอนก็เข้าไปกินกันมีผลอร่อยผลมะม่วงทั้งหลายที่กิ่งของต้นมะม่วงนั้นก็ตกลงในน้ําไง วานอนนั้นก็คิดว่าภัยจากมาถึงก็พากันเก็บต่อมามะม่วงนั้นก็ออกดอกออกช่อใหม่ก็ต้องคอยระมัดระวังเดี๋ยวถ้ามะม่วงจะมีรสอร่อยเนี่ยมันลอยไปใช่ไหมมนุษย์ไปได้กินอย่างนี้มาก็จะตามมาในส่วนจริงพวกเราก็จะเป็นอันตรายเพราะเราต้องอาศัยต้นไม้ต่างๆเหล่านีา้อยู่ในส่วนจริงๆก็อย่างว่านี่ยนะผลมะม่วงผลหนึ่งมันมีลังมดแดงหุ้มอยู่ใช่ไหมก็ไม่สามารถไม่มีวานอนตัวไหนมองเห็นมันหุ้ม ที่สุดจริงๆก็คือว่าพอมะม่วงนั้นสุกมันก็ล่วงลงไปในกระแสนะในวันนั้นพระเจ้ากรุงพระราณสีก็ลงเสด็จส่งน้ําในเม่น้ําเห็นอมาดหยิบมาได้ก็ทรสงสวยติดใจเลยในสุดจริงๆก็เอ๊ะไปที่ต้นน้ําแม่น้ําคงคาที่ที่ส่วนจริงก็เนี่ยไปพักแรมก็เห็นพวกวาน น, น, นี่ยอยู่บนต้นมะม่วงแล้วก็กินผลไม้ในเวลากลางคืนพวกมนุษย์ทราบอย่างนั้นก็พากันถือคบเพลิงใช่ไหม พร้อมด้วยธนูพอรุ่งช้าพวกวานอนก็เพื่อจะให้ฆ่าใ ห, ให้วานอนเหล่านั้นให้ตายขนาดนั้นน่ะเพราะโพธิศัตว์เป็นจ่าฝูงใช่ไหมของวานอนใหญ่นั้นก็คิดในใจว่าเฮ้ยทาอย่างไรเนาะเนี่ยพวกญาติของเราจึงจะรอดพ้นไปได้มองหาวิธีอยู่ก็เลยนั่นแหละก็เลยโดดข้ามมาที่ฝั่งหนึ่งก็เทววันมัดแล้วก็กัดเท้ววันแล้วก็มัดกับต้นไม้แล้วตัวเองก็โดดอีกต้นนั้นก็มาฝั่ง ทนี้กะระยะที่ค่อน้ารนีเชือกเทวันมันสั้นมัเนก็โหนก็กิ่งมะม่วงพอดีฝั่งทรมานไหมทรมานมากตอนนั้นแหละให้วานอนแปดหมื่นตัวซึ่งเป็นบริวารตะโกนบอกให้ข้ามให้โดดเหยียบหลังโดนเองแล้วก็ข้ามโดดเหยียบหลังโดนิงก็ข้ามวิ่งตายเชือกให้ตายตายเทวันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปวานอนแต่ละตัวก็ทําความเคารพนะเพราะเคารพเน่มั้ยเป็นเป็นพระโพธิสไอเป็นหัวหน้าเด้อ เป็นเหมือนพรปราชางเขาแต่ก็มีวานอนแสนสนก็คือกอดีตของพระเทวทัตเนี่ในครั้งนั้งพระเทวทัน่ยเกิดในหมู่วานอนคิดว่าเวลานี้เราจะเห็นเราเห็นจะต้องทําลายหลังศัตรูแ ล, ล้วโกรธขึ้นกิ่งมะม่วงที่สูงเลยแล้วก็โดดโดดลงมาอย่างสูงะโดดเหยียบกลางหลังของพระพระยาวานอนเ่ยเต็มที่เลยทีนี้ในขณะที่โดดมาเต็มแรงตอนนั้นน่ะท่านบอกว่าพยาวานอ น, น่ะหัวใจของพยาวานอ น, น่ยแตกสลายเลย ก็เหยียบเต็มที่เนี่ยตัวเทาวันก็ดึงเต็มที่เลยใช่ไหมกระดูกก็เครื่องหัวใจแตกสลายแต่ความอดทนยังไม่แตกเห็นไหมก็ไม่ยอมปล่อยถามว่าพระเทวทัตรู้ไหมว่ามีความอดทนสูงรู้รู้ไหมว่ากระโดดเหยียบมาแล้วจะตายรู้เห็นไหมท่านนึกถึงอะไรโพธิสมภารเนี่ยนี่เป็นสัตว์เดชะนะท่านนึกว่า เห็นไหมบารมีหมดเลยตอนนะี้ปารบทานคือการให้นี่นะชีวิตเนี่ยปารบศีลจะไม่ทําให้ความโกรธเกิดขึ้นเดี๋ยวศีลจะแตกปารบเนยะปารบเนคขมมะเสมอเหมือนหนึ่งนะในใจนะออกจากกรรมคุณนั่นเองแต่ว่าไม่สามารถที่จะหมดนั้นไนดะ้ปารบปัญญาต้องมีใช่ไหมวิริยะต้องมีกับความอดทนด้วยวิริยะบารมีต้องอดต้องเพียนเพียรในการที่จะไม่ปล่อยเยคันติบารมีต้องอดทนนะต่อความเจ็บปวดทั้งหลายที่ได้รับ ความเมื่อยล้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นกวา่วากว่าวานอนแปดหมื่นตัวจะข้ามไปแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยแทนแสนสหาหัสขนาดไหนตัวเองต้องต้องเกาะ อ, อยู่อย่างนั้นเลยนะแล้วเราก็ต้องนึกเนี่ยวิ่งไปอยู่อย่างนี้ยวิ่งไปอยู่อย่างนีน้กระโดดวิ่งไปอย่างนี้นพอโดดขึ้นมานั่นแหละเอหัวใจก็แตกสายทั้งวิริยะบา ร, รมีขันติสัจจะตั้งมันน่นเลยนะอธิฐานะมุ่งทิพโพธิญาณว่าเราตัดสู้แล้วจะให้บุคคลที่บัตุสลายเราไม่ลิงแสนชนตอนนี้ตัดสู้ด้วยเห็นไหม ในสุดจริงๆพระองค์ได้มาตัดสรุ้แล้วก็ให้พระเทวทัตได้ตัดสรุ้จริงๆนี่ไงถ้าพระเทวทัตไม่ได้บวชในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเทวทัตจะไม่ได้ตัดสรุ้มาบวชในาศาสนาของพระบรมศาสด า, าจะทําสังฆพิธีจะทําโลหิตตบบาตรจริงแต่จะได้ตัดสรุปเพราะกรรมที่ทําดีไว้ก็เยอะเนี่ยนะันยอมขนาดนั้นนถ้าไม่นั่นก็คือว่าถ้าไม่ให้เข้ามาในาศาสนาพระเทวทัตจะไม่ได้ตัดสรุปเลย แถมลองเอาเวจีต่างหากก็จะทำอนันตริยกรรมอยู่นั่นเลยเกี่ยวกับในการทําลายไอ้ไ อ, อ้ปิดล้อมพู้ได้เจ้าไม่ให้บินบาตบ้างก็ต้องกันแกล้งอยู่นั่นเลยก็เหมือนกับพระสุภพุทธะนี่เป็นอย่างนี้นั่นแหละคือพระมหากรุณาที่คุณของพระบรมศาสดาถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นเนี่ยกรณีอย่างนี้เราจะได้เห็นชัดเจนว่าพระโพธิสัตว์นั้นนะฮะอดกั้นเวทนาอย่างแสนสาหัสขนาดนี้ ก็ไม่ได้ปล่อยมือที่จะจับกิ่งมะม่วงคันแสงสว่างแล้วพระราชาก็รับสั่งให้พยาวานอนนั่นน่ะให้แก้นะแก้เชือกหวายเหล่านะั้นออกโดยอุบายแล้วก็ให้อาบน้ําแล้วก็ให้ทาน้ํามันเขี้ยวตั้งร้อยครั้งพันครั้งบีบนวดให้นอนอยู่บนที่สบายตรัสถามว่าเหตุไรท่านจึงต้องกระทําทุกขกิริยาแสนสาหัสถึงปรางนี้วานอนก็ยังพอกราบทูลได้ก็บอกว่าตนเป็นพยาวานอน กิริยาที่ตนกระทำแล้วได้แสดงธรรมโดยในเป็นต้นว่าขอถวายพระพรหมหมาบาพิษ ธ, ธรรมดาพระราชาเนี่ยเมื่อมีภัยเกิดขึ้นพึงสละชีวิตของตนแล้วให้หมาชนบริวารห น, นีไปดังนี้แล้วก็ถึงเก่ยวกับ mm. ก็แปลว่ากรณีว่าเป็นพระราชาตนเองเนี่ยจะเป็นราชาแห่งธรรมจะเป็นราชาแห่งธรรมเนี่ยก็หมายความบอกว่าจักไม่ยอมตายก่อนน่ยนะจักเอาพระธรรมเนี่ยชบชีวิตให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ ให้สามารถได้ทางอันประเสริฐให้บรรลุอนุตตะให้บรรลุพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าตนเองอเหมือนบุรุษขี้ขาดบุรุษขี้ขาดทิ้งคนอื่นหนีไปแต่ผู้ดเดียวไม่ใช่พระองค์ไม่ใช่พระองค์เป็นราชาแห่งธรรมเ ป, รรร เ, เป็นธรรมราชาเนะเป็นธรรมราชาเป็นสามีนะเป็นธรรมสามีนะเป็นเจ้าของธรรม ฉะนั้นพระองค์เนี่ยเอาพระธรรมมาประกาศเนี่ยพระองค์ไม่ใช่บุรุษขี้ขาดเป็นพระองค์เป็นมหาบุรุษกล้าที่จะเดินต่อสู้ต่อสังสารวัตรเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรใช่ไหมเพื่อจะหรือสัตว์ขนสัตว์เนี่ยออกจากสังสารวัตรเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยแล้วก็ยังสอนพระราชาบอกว่าพระราชาเมื่อมีภัยเกิดขึ้นพึงสลาชีวิตของตนให้แก่มหาชนและให้บริวารให้รอดภยัยให้ปลอดภยัย ตนเองต้องยอมเนี่ยนะแล้วก็ถึงแก่กรรมด้วยความบาดเจ็บนั้นครั้งนั้นพระราชาโปรดให้ชาพนากิจสอบของวานอนแล้วก็ทำาะทำทำนองที่พึ่งกระ ท, ที่พึงกระทากับพระราชาเลยนะเก็บอธิธาตกับพระนกรสร้างเจดีย์บรรจุทาการบูชาเนี่ยพระหมหากรุฎได้ทำอุปการะแม้กระซึ่งเป็นมะ มารดาบิดาทั้งหลายก็ไม่อาจจะกระทําแก่สัตว์ทั้งหลายในชาติที่สั่งสมบารมีนับหาประมาณมิได้เนี่ยทรงเปลื้องพวกพ้องให้พ้นจากชาติทุกข์ใหพ้พวกพ้องให้พ้นจากทุกข์ถ้าถามว่าพระองค์ตัดสู้เป็นพระุทธเจ้าแล้วหรือตอบว่ายังไม่ได้ตัดสู้เป็นพรุทธเจ้าขนาดยังไม่ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังทรงเปลื้องสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์แล้วได้ช่วยสัตว์จํานวนมากให้ดํารงอยู่ด้วยความสุข ถามว่าเป็นความจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงเพราะพระมหาบรุษเนี่ยพาสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้นี่นะไปบวชแล้วอบรมสั่งสอนบําเพ็ญเพียรบรรณภาพไปเกิดในพม่าโลกแล้วสัตว์ในสมาคมเนี่ยนะสมาคมต่างๆเหล่านี้นะถ้าไปพิจารณาดูในชาติที่เกิดเป็นมูคาปักขะชาดกเอวยสมาคม กุทธารบัณฑิตเลยสมาคมของอโยคระบัณฑิตหรือสมาคมของหัตถิปาระสมาคมของสารพังค์ข้ศาัตรดาเป็นต้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ในชาในในจริยาปีดกก็ดีเนี่ยในชาดกทั้งหลายก็ดีเนี่ยในกุตการนิกายชาดกทั้งหลายเนี่ยที่ท่านเสวยพระชาติมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่ใช่ตอนเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ พระ อ, องค์ก็บอกให้สัตว์นี่ออกเข้าถึงสุคตินับไม่ได้หาประมาณไม่ได้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายยังจิตให้เลื่อมใสในคณะฤาษีแล้วบังเกิดในสวรรค์เป็นจํานวนมากด้วยประการชนี้บัตรเนี้ยตอนนี้นะนี่เราก็มาพิจารณาแล้วก็สรุปสรุปว่าตอนนี้พระบรมศาสดาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วใช่ไหมบรรลุแล้ว ทรงประทานวิมุตติรสคือน้ําแห่งความหลุดพ้นพระธรรมน่ยแปลว่าน้ำอำมตอมตารสมช้ไหมทาราสลดกระแสขันของสัตว์ผู้ใดแล้วสัตว์ผู้นั้นก็จะพ้นจากวัฏจทุกข์ถ้าดื่มดํำนะถ้าสัตว์ใดได้ดื่มโลคุตล่าธรรมนะสัตว์นั้นก็จะพ้นจากวัฏจทุกข์แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ดื่มใช่ไหมถ้าดื่มแล้วจะได้พ้นจากวัฏจทุกข์คือว่า ให้สัตว์ทั้งหลายถามว่าพระบรมศาสดานี่นะพระองค์ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงประทานมุติรสคืนน้ำแห่งความดุจพ้ใหสัตว์ทั้งหลายประมาณแปดสิบสียสงไขยได้ดื่มแล้วแม้พระองค์ปรินิพานไปแล้วก็ยังฝากฝากพระธรรมฝากพระธาตุสรีระเพื่อเป็นอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายไว้ประมาณห้าพันปีตอนนี้จบไปสองพันกว่าปีใช่ไหม ก็พระบรมศา ส, สดาเนี่ยที่ขนสัตว์หรือสัตว์ไปประมาณแปดสิบสี่สไข่นั่นที่ที่จารึกไว้นิดเดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือแปดสิบสี่สงไข่ในคําสอนในชั้นของอัตถกถาก็กล่าวในชั้นของดีกาก็กล่าวยืนยันไว้นี่นื้อแล้วไม่พอนะตอนนี้ยังฝากพระธรรมปรินิพานแล้วเดือดขันถ้าปรินิพานปรินิพานแล้วก็จริง แต่พระธรรมวินัย 84,000 สี่พันพระธรรมขันธ์ฝากเขาไว้พระบรมศาสดาตรัสโดยสรุปยังไงบอกว่าดูก่อนอ น, อนทัฐาคตปริมิพานไปหนึ่งแต่พระเจ้าแป0 0ม่นสี่พันองค์จกทากิจศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราอีกห้าพันปีอย่างนี้นะไดยหลักคืออย่างนี้นี่โดยอาฐาคืออย่างนี้ ฉะนั้นตอนนี้ภาษาสดากำลังทากิจของท่านอยู่ 2,500 กว่าปีแล้วแล้วมาประจวบเหมาะกับเราท่านทั้งหลายมันเป็นบุญยาลาบเนี่ยอันประเสรศิฐซึ่งหายากที่สุดเราก็มาประจบเจอจริงๆเยี่ไม่ปเลยไม่รู้สร้างบุญอะไรกันไว้เนี่เดีแต่เจอแล้วไม่รู้จะเข้าใจยังไงอันนี้ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงท่านทั้งหลายก็ต้อง แม้บิดาเพียงคนเดียวก็ยังไม่สามารถที่จะกระทำอุปการะอย่างนี้แก บ, บุตรคนเดียวของตนได้ไม่สามารถจะทำได้คือพ่อแม่ไม่สามารถจะเอามาตะทำเนี่ยลาดลดในกระแสะใจชุบให้เราเป็นพระอริยะได้แต่พระพุทธเจ้าทำได้ใช่หัหยส่วนพระพุทธองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแม้เวลาที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ แม้เวลาที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้ออกจากชาติทุกข์ชลาทุกพยาทิทุกขมรณะทุกอันหาประมาณไม่ได้ทรงยังสัตว์อันหาประมาณไม่ได้ให้ดำรงอยู่ในความสุขสิ้นระยะเวลาหาประมาณไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้นี่แหละจึงชื่อว่าทรงเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกทั้งปวงนี่ไงพระบรมศาสดาชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้เดียวด้วยนะของโลกทั้งปวง ทั้งกามาภูมิรูปภูมิและรูปภูมิข้าพเจ้าก็ขอนอบน้อมพระชินจเจ้าพราะองค์นั้นผู้สูงด้วยคุณความดีผู้สั่งสมความดีไว้เป็นเผ่าพัานธุ์ผู้เดียวของโลกทั้งปวงนี่นะพระธเจ้าแม้พระองค์ใดซึ่งหาบุคคลเปรียบเทียบไม่ได้ก็แ mm hmm. ปลว่าสูงสุดในภูธิโลกคือยิ่งใหญ่มหักข่นใช้คําว่ากุศลมหิมาโตด้วยความยิ่งใหญ่นะความยิ่งใหญ่ด้วยกุศล ยิ่งใหญ่ด้วยกุศลที่ยิ่งใหญ่โดยความยิ่งใหญ่ที่ได้มาแล้วได้แก่อานุภาพที่ได้มาแล้วด้วยกุศลโดยอะไรโดยพุทธานุภาพฉะนั้นบุคคลที่เสมอหรือสูงสุดกว่าพุทธเจ้าไม่มีในการไหนทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในะไม่มีเลยในอดีตทั้งหลายพุทธเจ้าในอนาคตทั้งหลายย่อมเสมอกับพุทธเจ้ามีคนยิ่งกว่าพระองค์ย่อมมีบอกว่าพุทธเจ้าด้วยกันเสมอกันได้ แต่บุคคลนอกนั้นจักไปเสมอพวุเจ้าไม่ได้นี่นะไม่ว่าในการไหนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท ถ, ถาคตหาผู้เสมอมิได้ไม่มีสรรพสัตว์เท่ากับพระองค์นะไม่มีบุคคลที่เทียบได้เนี่ยคือว่าทรงเสมอสัพพัญยุตยานในอดีตและนาคตเป็นต้นอะเนี่ยนะพระเจ้าจึงไม่มีใครเสมอตรงนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่า จริงอย่างนั้นอะ่ะเพราะไม่มีบุคคลพูดเสมอหรือยิ่งกว่าพระเจ้าในวันที่พระบรมศาสดาประสูติจากพระคันมารดานี่นะใครเคยไปลุ ม, มิดีวันนี่ยังไปสถานที่ประสูติของพระบรมศาสดาสไปแล้วคิดยังไงเฉยเฉยแล้วคิดงไงเออหลายหลายคนไปสถานที่ประสูติตัสรู้ แสดงธรรมจากให้เป็นไปและเสด็จดับขันธพรินิพานะไปแล้วคิดไม่ออกไม่รู้จะคิดยังไงเนี่ย ไ, ไอตรงนี้ต้องไปใหม่ศึกษาข้อมูลให้ชัดนะว่าไปเนะี่ยไปแล้วให้ได้คุณของศ า, าสดาในวันที่พระบรมศาสดาประสูติจากพระคันเทวดาในหมื่นโลกธาตุช่วย ก, กันกระทำหน้าที่พี่เลี้ยงก็ลองคิดตัวเนั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระมหาบรจ้มั้ย ในขณะที่ประสูติแล้วพระองค์ก็หันพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จได้เจ็ดเก้าลือสีหานาตได้ยินถึงเทวดาและพรหมประมาณหาประมาณไม่ได้ที่ท่านใช้คำว่าอคโคหมาสมิโลกัสะเราคือผู้เลิศของโลกเราเป็นผู้เลิศของกามภูมิกามโลกระโลกโลกอะโลบโลก และเราเป็นผู้เลิศในโลกมากกว่าแสนกวาจักรวาลเป็นอนันตโลกระธาณนะเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้เลิศเชตโธมัสมิโลกัสะเราเป็นผู้เจริญที่สุดของโลกฉะนั้นในความเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุติเป็นต้นเหล่าเนี้ยหาใครเจริญเท่าเราไม่มีมเชตโธมัสมิโลกัสะเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกอะ ยะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถทานิปูณภพโวติพบนี้เป็นบอกว่าพบใหม่ของเราไม่มีอีกเนี่ยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าพระองค์นั้นทรงกล่าวอาสพิวาจานี่นะคือบัลลือศีหานาตได้ยินถึงเทวดาและพรหมมาโลกเนี่ยกรณีนี้บ่งบอกถึงอะไร บ่งบอกถึงบุรุษหรือบุคคลที่พิเศษที่สั่งสมบา ร, รมีมาเต็มแล้วมามาได้ยินบุคคลที่กล่าวคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลธรรมดามาสะลุดใจมากนะคือไปคิดว่าพระพุทธเจ้าเหมือนพวกเราเนี่ยแล้วยังไปบอกพระพุทธเจ้าไม่มีอภิญญาจบเลยเยนี่ยนะนี่คือคนไม่รู้จักคุณเอาตอนเองเป็นประมาณเอาตอนเองเป็นตัวดเทียบ นี่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจริงถ้ารู้จักพระพุทธเจ้าจริงจกไม่ไม่กล่าวคํานี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นสัพพัญญูสัมมาพุพทธสมุทรเจ้าเนี่ยไม่ไดไ้ไม่ใช่ไม่ได้มาโดยไม่มีเหตุปัจจัยได้มาโดยการสร้างเหตุปัจจัยอย่างยาวนานและอย่างหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นกรณีเหตุแห่งความมหาสารย์ต่างๆเหล่ า, า, า, านี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นกับระดับมหาบุรุษ ในวันที่พระบระมาศ า, าสดาประสูตรนะั้นทรงดำเนินได้เจ็ดเก้าก็เปืืองเปลือยไม่ทรงเปลือยพระวรากายแต่ปรากฏผู้เห็นดุดผ้านุ่งนุ่งผ้ากาสีไม่ทรงประดับตกแต่งก็ปรากฏดุดเท้าสกาทเทวราชประดับตกแต่งทรงเป็นพระกุมารแต่ปรกากฏดุดเหมือนกุมารสิบหกปีเห็นไหมแม้เสด็จดำเนินไปได้พระบนพื้นพระบาทก็ปรากฏเป็นดุดลอยไปบนอากาศนี่เป็นอย่างนี้ นั่นหลคือพระมหาบรุษในขณะนั้นท้ามหาพมก็กั้นสเวชฉัดสายอดยอดละ1ิยอดละสิบหกิโลเมตรใช่ไหมท้าสกะก็ทรงเป่าสังวิชัยยุทธท้าสุยามก็ทรงถวายงานพัดวาลชีวาาวัชณีท้าสันดุสิตก็ทรงถวายงาน ก้านตาลและแก้วมณีเทวดาและพรหมทั้งหลายผู้อยู่ในหมื่นจักรวาลนะได้กระทําการบูชาด้วยประการชนิดในเรื่องนี้พระนายเห็นว่าความว่าเวลาพระมหาบุรุษประสูติเนี่ยหมื่นโลกธาตุในวันไหวเพราะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชาติเคตของพระผู้มีภาคเจ้าในขณะที่ประทับยืนบนรรพชาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําอนุมานาทีคติการลพรหมนะในสุดทาวาสก็ถือบริขารทั้งแป มาถวายพระมาหาบรุษนะแล้วเอาผ้าสาดกที่มาหาบรุษนุ่งเนี่ยนะหอมจีวรใหม่แล้วทิ้งถามว่าเปรียบเส ม, มือนอะไรเปรียบเส ม, มือนช่างยอ้อมอ่ะมอบผ้าสาดกสะอาดให้กแก่อิสระชนแล้วรับเอาผ้าสาดกสกรปรกที่อิสระชนทิ้งแล้วเนะี่ยจากไปชั้นใดคติกรารพมนั้นก็ฉันนั้นรับเอาผ้าสาดกที่มาหาบรุษทิ้งแล้วเนะี่ยไปทําสถูปคิดดูขนาดความยิ่งใหญ่ของมาหาบุรุษ นะเรานึกอย่างนี้ว่าผ้าที่พระ อ, องค์ใส่ในวันเสด็จออกบรรพชาคติการพรมคือพรมคติการละพรมเนี่ยเป็นพรอมอยู่ในชั้นสุดทาวาสแปลว่าอะไรแปลว่าพผ้านาคาพผ้านาคาดูสิเนี่ยเป็นพผ้านาคามีเป็นผ้ า, าอริยะในพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยที่ยังตกค้างอยู่ในชั้นสุดทาวาสนะหายวับลงมาใช่ไหมเอา เอาจีวรน่ะเอาจีวรมาถวายรับเอาผ้ารับเอา ผ, าผ้าผืนเก่าที่เป็นผ้าคารวาสที่พระมหาบุรุษหนุ่งออกหนีเสด็จออกบรรพชาเอามาเอาพานด้วยนะรับเนีรับเบเ็ดเสร็จแล้วก็กระไอ้ไม่ใช่กบับรับเบเ็ดเสร็จก็อันตรทานดูแลเบเ็ดเสร็จแล้วก็อันตรทานหายไปเอาไปสร้างเป็นเจดี ไหว้ในชั้นสุทาวาสสูงสิบสองยศบูชาจนทุกวันนี้นี่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ไหมเสื้อผ้าที่ใส่ตอนนี้ก็เป็นเจดีอยู่ที่สุทาวาสแล้วก็มานั่งนึกว่นี้ธรรมดาไหมชื่อว่าคนธรรมดาไหมไม่ธรรมดาทั้งๆที่ยั ง, ง, ง, ง, งไม่ได้ตัดสรุวนุตตลาสัมมาสัมปวิยานนะ กิเลสยังมีในใจอยู่ด้วยนะแต่อย่าลืมนะบารมีเต็มแล้วเนะียบารมีจะเปี่ยมอยู่แล้วเนะี่ยเลืออีกหกปีบรรลุเพราะมาต้องบำเพ็ญทุกขกลกิริยาอีกหปีโทษก็คือไปตําหนิสัพพัญญุตยานของพระเจ้าองค์ก่อนตอนเกิดเป็นโชดิปาละอบอกสัพพัญญุตยานจะมามีจากที่ไหนคํำเดียวแค่เนี้ยคําเดียวแค่เนี้ยตําหนิพุทธญาณแค่เนี้ย ฉะนั้นเรื่องพุทธยาณเนี่ยอย่าตำหนิมันจะลงอบายกันง่ายๆเลยก็ดูพระเจ้าของเราตอนเกิดเป็นโชติบาละเนี่ยเพียงดำหลีกว่าพุทธยานยจะมีแต่ที่ไหนตำหนิอย่างนี้นะตกนรกแล้วไม่ฟออนะลงทิศลงทางอีกเจ็ดปีเนี่ยอีกหกปีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นไม่ใช่อย่างที่เราคิด พ, พุทธคุณเนี่ยหาประมาณไม่ได้จริงๆ ถ้าใครตรึกให้ศรัทธาน้อมเข้าถึงคุณของพระศาสดาได้จริงๆเนี่ยบุญก็หาประมาณไม่ได้แต่ในตรงกันข้ามนะคนที่ไม่เห็นคุณไม่รู้จักคุณของพระศาสดาก็ทะลาะปัดกันเลยเนี่ยนะนี่เป็นอย่างนี้กรณีในลักษณะอย่างนี้จะเห็นชัดบอกว่าในพรหมโลกเนะี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงกล่าวอะไรในความที่ ม, า ม, ามาหาบุรุษเป็นผู้ที่จเจริญที่สุดใช่ไหมเราเป็นผู้จเจริญที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ฉะนั้นในกรณีที่เกิดมาณประกาศอย่างเนี้ยชัด<ม>ก็ในสุดท่าวาดเป็นผ้าอิยาทั้งนั้นยังเอาเสื้อผ้าเขาหมาบรุษไปบูชาแล้วยังไม่ต้องตัดสรู้ถือว่าเจริญแล้วยังไงก็ต้องตัดสรู้เป็นพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าแม้พระองค์ใดไม่ได้มีบุคคลที่เสมอหรือสูงสุดในสัตว์โลกในความยิ่งใหญ่ด้วยกุศลนอย่างเดียวนะตรงนี้ท่านเลตรัดบอกว่าเรื่องราวของพระบรม ศ, ศาสดานี่น่าพิศวงมากไพ่บูนมากไม่มีมณทิน เป็นโพธิสมภารอันเป็นเหตุด้วยนะพิศวงก็คือเป็นที่ตั้งแห่งความพิษวงอย่างยิ่งแม้ได้ฟังก็คิดไม่ถึงคนฟังเนี่ยคิดไม่ถึงนะคิดไม่ออกก่อให้เกิดความกลัวก็คือก่อให้เกิดความกลัวแก่ผู้ฟังว่ามหาบุตรเสวยพระชาติเป็นกระต่ายเนะ่ยวิ่งเข้ากองไฟอย่างนี้เยเป็นสัตว์เดรจฉานเนี่ยนะวิ่งเข้ากองไฟเสวยพระชาติเป็นพยาครุดก็อ น, นอนตะแคงนะปิ้งเนื้อของตนเนะี่ย บนฐานเพิงให้เป็นฐานนอนตะแคงปิ้งเลือให้เป็นฐานเลยเนี่ยนะเสะวยพระชาติเป็นพระเจ้าสิวิราชก็ควักลูกตาสองข้างให้เป็นฐานอย่างเงี้ยกรณีเราไปศึกษาดูในจริยาปีดกเห็นชัดเลยแม้การที่ชื่อว่าใครๆจะสามารถกระทำได้ก็ยังยากเพราะฉะนั้นจิงหน้าพิษวงส่วนคาว่าสุวิปุรังก็คือไปบูนมาก บุญกุศลของพระบรมศาสดาเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้นะเราท่านทั้งหลายก็คือว่าอยากให้เราท่านทั้งหลายตอนนี้ก็คือเจริญพุทธานุสติดีไหมะนะฝึกเจริญพุทธานุสติกันดูจะมานั่งใคร่ควนนะพิจารณาในกรณีาการที่เจริญพุทธานุสติมานสิา ก, การถึงพระคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยอลอง หลับตานั่งระลึกเดี๋ยวมาจะตรึกระลึกพลนาคุณของพระบรมศาสดานะทีนี้ท่านบอกว่าปุดุชนกาลยาณนะปูดูชนเน่ยเมื่อฟังพระธรรมของพระบรมศาสดาอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านถึงบอกว่าเมื่อบุคคลที่เป็นกาลยาณนะปูดุชนแล้วเนี่ย ไม่คิดไม่ระลึกไม่ตั้งอรภูตธธานุสติคือการตั้งสติที่ระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาแล้วเนี่ยจะเจริญศรัทธาศีลสุตะจาคะได้อย่างไรถ้าปุรุชนไม่กล่าวคุณของพระบรมศาสดาถ้าปุรุชนไม่ระลึกถึงพระพุทธคุณเขาจากพ้นจากชาติทุกข ชาราทุกพยาธิทุกโมดนาทุกพ้นจากสังสารวัตรได้อย่างไรจะไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานด้วยหนทางไหนจะเจริญด้วยศรัทธาจะเจริญด้วยศีลจะเจริญด้วยสุตตะด้วยจาคะด้วยปัญญาได้อย่างไรเมื่อกรลยาณปุรชนระลึกนึกถึงอย่างนี้แล้ว ย่อมเจริญด้วยสัตทินรียคือความตั้งมั่นไม่วันไหวในคุณของพระผู้มีพรภาคเจ้าบอกว่าโอเป็นบุญยราภของเราแล้วเนาเนี่ยเราได้อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พ้นจากการเกิดในเอเวจีมหานรกพ้นจากนรกพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากการเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายพ้นจาก เกิดในปัจจันตชนบทบ้าใบาบอดหนวกพ้นจากการเกิดในอสัญญีภพในอรูปภพพ้นจากการเป็นมิจฉาทิฐิได้เกิดเป็นมนุษย์ด้วยและอยู่ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาด้วยได้มีโอกาสฟังพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยเมื่อกรลยานุปุรชนกระทำไว้ในใจ ให้คล่องแคล่วในลักษณะอย่างนี้แล้วกลยาณบุรชนพุ่งละเรื่องอื่นๆเสียและเลึกถึงพระพุทธคุณกำจัดความพุ่งสั้นให้ออกไปจากใจน้อมฟังพุทธคุณนากาถาทั้งหลายด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่ตนเองมีกระทำให้คล่องแคล่ว พึงเรียนพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าสอบถามพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าพึงจเจริมพึงกระทําไว้ในใจโดยแยบคายโดยตั้งศรัทธาเป็นประธานตั้งเจตนาหรือปัญญาไว้เป็นประธานมีความเด็ดเดี่ยวและทำสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับศรัทธาให้เด็ดเดี่ยวด้วยในความตั้งมั่นไม่วันไหวในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า เจริญศีลสุสตะจาค้าปัญญาในเรื่องนั้นช่องภายในเมล็ดพันธุ์ผกาศก็ดีหม้อน้ําก็ดีอ่างน้ําก็ดีตุ่มน้ําก็ดีที่โยนลงในมหาสมุทย่อมรับน้ําพอประมาณของตัวเท่านั้นจะรับจนมากจนหมดมหาสมุทรไม่ได้แม้ฉันใดบุโรชชนอย่างเราท่านทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมรับเอาพุทธคุณของพุทธเจ้านั้นพอประมาณแห่งปัญญาของตนของตนจะรับจนทั้งหมดแห่งพระคุณนั้นไม่ได้เมื่อบุคคลระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาอยู่นั้นน่แม้ประมาณน้อยก็ย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุแห่งการบรรลุพระบรมศาสดาตอนตั้งอัทยาศัยครั้งแรก ที่จะได้ตัดสรุก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้จัดเข้าในการบําเพ็ญบารมีเลยพระองค์ก็ระลึกเริ่มตั้งแต่ศรัทธาสามารถเอาคุณของพระบรมศาสดาเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ประกาศเนี่ยหย่อนลงไปในมหาสมุทรนั่นเลยตักเอาน้ำได้นิดเดียวแค่นั้นแล้วก็ขยายเป็นขนาดหม้อน้ำอ่างน้ำตุ่มน้ำ เป็นตามลำดับในที่สุดจริงๆยังสามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้ตามลำดับสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสบอกว่าดูก่อนจุนทะเราตถาคตกล่าวว่าแม้เพียงเกิดความคิดในความเลื่อมใสที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายงั้นกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแม้อย่างนั้นก็ชื่อว่ามีอุปการะมากมไม่จําเป็นต้องกล่าว ถึงการจัดแจงด้วยกายด้วยวาจานั่งไม่ต้องพูดนั่งไม่ได้กระทําอะไรออกมาเนยแม้กุศลจิตเกิดแม้ช่วงขณะนิดหน่อยยังมีอุปการละมากเหมือนอะไรเหมือนบุคคลพอได้ฟังว่ากาลยาณปุโรชนเนี่ยนะส่วนบุคคลใดได้ฟังว่าในมหาสาครมีน้ํา จึงไม่สะดุ้งกลัวคิดว่าเราจะได้น้ำมากถือหม้อไปยังมหาสมุทรอาบเดิมกินดับความ ก, กาังวลก歪ดับแล้วก็ระงับได้เบ็ดเสร็จแล้วตักน้ำไปเต็มหม้อกระทํากิจที่ต้องใช้ร่างกายก็สะอาดมีความสบายกาลยาณนะปุรุชนก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่พึงเป็นเหมือนบุรุษขี้ขาด เกียดค้านคิดว่าพุทธคุณทั้งหลายหาประมาณมิได้เราจะใช้ปัญญาน้อยนิดของเราอย่างลงได้อย่างไรอย่าไปคิดอย่างนั้นเพิ่งเป็นเหมือนบุรุษผู้มีความกล้าไม่สะดุ้งกลัวอย่างลงสู่สาครแห่งพุทธคุณนะชำระมุลทินที่มีอยู่ในจิตสันดานคือราคะโทสะโมหะออกเสียด้วยรำปีติโดยมีพุทธคุณให้เป็นอารมณ์ดับความกวนกวายคือราคะโทสะโมหะ เรียนจำพุทธคุณแต่ละบทบอกว่าอิติปิโสภคะวาแมเพ่อเหตุนั้นพระผู้มีพภาคเจา้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทใดบทหนึ่งก่อนย้ยแล้วก็สาธยายแต่ละบทแล้วก็แปลแต่ละบทให้เข้าใจตรึกไหมอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสมั้ยพระบรมศาสดาไกลาจากราฆาไกลาจากโทสาไกลาจากโมหะ เราเป็นผู้ใกล้าจากราใกล้ใกล้กับราคะตโตสะโมหะน้อมละลึกอะระหังเป็นผู้ใกลาจากกิเลสใกลจากราคัโทสะโมหะเราเป็นผู้ใกล้ตอ ก, กิเลสระลึกทีระบททีระบทอย่างนี้ยังได้เลยะลักษณะที่ระลึกในกรณีในลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นการละลึกถึงคุณของพระบรมศ า, ศาสดาเมื่อมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะได้บอกว่า พิจารณาถึงคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยจำคุณหาประมาณมิได้ด้วยปัญญาอย่างอุปจารสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนามีสมาธิแล้วก็เป็นปันจจัยเกิดปัญญาและสามารถจะเป็นปันจจัยแห่งการบรรลุปเป็นต้นได้ฉะนั้นเมื่อพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะได้เห็นพระคุณของพระบรมศาสดานะการที่เรามาใคร่ควรพิจารณาถึงคุณของพระบรมศาสดาในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าระลึกถึงคุณของ พระผู้มีพระภาคเจ้ า, าทัานเราท่านทั้งหลายทั้งบอกว่าตั้งความมนัสิการตั้งศรัทธาไว้ในพระคุณของพระบรมศาสดาแล้วก็และลึกถึงคุณของท่านนะนะเออในคาถาที่เนี่ยในกรณีที่มาเคยสาตยายในอิติปิโสรัตนามาลาเนี่ยท่านบอกว่า อิโทสพันยุตยานังอิชันโตอาสวะข่ายังอิทังดำมังอนุปะโตอิดิมันโตนมามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาสัพพัญยุตยานทรงปรารถนาธรรมที่เป็นที่สิ้นไปแห่ง กา ม, มาสวะพระวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะที่สุดก็ได้ทรงกระทาให้บรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้เมียภาคเจ้าผู้ทรงมีความสำเร็จพระองค์นั้นตินโนโยวัดดุข ม, มาตินังโลกานามตตาโม О. ติโสภมิอติการโตติ น, นาโอคังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นแล้วจากทุกในวัฏฏะคือพ้นแล้วจากชาติทุกชาราทุกพยาธิทุกและมรณะทุกพ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจพ้นจากความรับแค้นใจ เป็นผู้ทรงพระคุณนั้นสูงสุดในไตรโลกธาตุทั้งสามข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคาทั้งสี่ได้แล้วพระองค์นั้นปิโยเดวามนุสานังปิโยพระมานมุตตาโมปิโยนาคาสุปันนานังปิยินตรียังนามามิหัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายตลอดไปจนถึงสัตว์เิราชานมีหน้าครุดเป็นต้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอินทรีย์อิม่มพระองค์นั้นโสกาวิรัตจิตโตโย โสภมาโนสะเดวเกสกปเปเตปะโมเทนโตโสภวันังนมามมิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดมีจิตคลายจากความโศกเป็นผู้งดงามในโลกนี้ทั้งเทวโลก ทรงยังสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกด้วยราคะโทษาโมหะให้หายความโศกจากกิเลสเหล่านั้นแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีชวีวันงดงามพระองค์นั้นภัชิตาเยนะสัต ด, ดัมมาบาคาปาเปนะตาดินา มบเยสะเตปหาเซนโตพยสันตังนามามิหังพระสัตทธรรมทั้งหลายคือปริยติสัตทธรรมและมรซีผลสีนิพานหนึ่งพระสัทธรรมสิบประการนี้อันพับสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายแล้วขจัดบา ป, ปรกรรมได้หมดสิน้นมีหาไทยคงที่ ทรงแจกแล้วทรงแสดงแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยคือการเวียนไหวตายเกิดให้หายกลัวแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พุทธเจ้าผู้มีภัยอันลังับแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวนั้นเราท่านทั้งหลายพอระลึอกอย่างเงี้ยเขาเรียกนอบน้อมคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า